การเรื่องหนาวนี่ก็แปลว่าร่างกายก็ต้องพร้อมพอพอจบแค่ได้ป่วยความเมื่อเรามาประจัดท่าก น, นีน่ทำให้เราเดืดอดอนคือดึงน้ำไปลมที่เราอยู่นั้นเส้นใดมีคุณเส่งนั้นมีโทษในตัวของมันเอง ทั้งหมดก็อยู่ในตัวเราแต่ว่าเออที่เรามองในขณะที่เรามองเรามองพานแยกดินใจก็รู้เป็นดินไม่ได้เกี่ยวกับตัวเราน้ำมันก็จะเป็นในน้าหุ้ยน้องขอมบิงนมัน ม, มีกำลังไม่ mm hmm. มันจะมีกำลัง มันอ่อนแรงเหมือนกันแม้ถ้าทังสีเราจะมองในรับจะได้าามอาตา้แยกเมือเ่อใดก็ตามท่านรวมตัวกันถ่าทั้งสีเรานูกถึงเราพูดถึงถ้าทัสี่ที่มันประชุ ม, มรวมกันนอกจากร่างกายของเราจริงนคือเรื่องถึงเคอร เกิดมีครบทุกอย่างเป็นแหล่งของธาตุทั้งสี่ก็คือดินน้ำไฟและประลมมันประชุมป้องกันกันเรียกว่าเขืนอนนึกสัมผัถท่านมันประชุมกันมันมีกำลังมัมีพลัง ม, มีคุค่าแต่รู้ว่าอยู่ในตัวเราเรามองไม่ออกเรามองไม่เห็น ตัวเรา น, ะนั้นเป็นเดินน้งไปหลงก็ได้จำได้จากตำรามันเจอเขจริงๆ้วไม่รู้จักอเมื่อมันไม่รู้จักก็ก็เลยคอยอยู่กันไปแต่งคนแต่งอยู่เดินเอิบยืนเดินนั่งนอนตะไงทำมาไงหมดนี่มันเพราะอะไร ภาวาสติสติเราไม่เช่คนไม่เช่งวนไม่ต่อเนื่องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดนั้นบบราณอาจารย์ทันชาลาให้เอาเราผูกมัดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำสำสํำซ้ำๆบออ่อยๆให้โอ้พุทธหายจะเขา่าโู้หน้าจะออกโทยิ่งนใ้เป็นเครื่องมัดระบายใจต้งมัด มันจ็ดมันใจของเราไว้มันหลักในนั้นออกไปเที่ยวเราทราบกันไมว่าในนาทีหนึ่งหนึ่งจิตเอกไปเที่ยวคือออกไปที่ไหนไปถึงไหนไม่รู้เราถ้าเป็นบ้านเราสมมติเป็นบ้านของเราถ้าขนเข้าคขนของเอาไม่ต้องอะไรมากแค่วันหนึงมีไม่กี่คน เราอยู่กันไม่กี่คนบ้านเรายารังสกปรกรกรุงรังลม เ, เข้าลอมออกกี่ฝนสารพัดแล้วก็ขัดจัดตามความสะอาดบ้านตามความสะอาดสะอานจิตเราเหมือนกันที่มันวิ่นเข้าวิ่งไปวิ่มาในร่างกายร่างกายคือ บ, บ้านสารพัดจนนับไม่ท้งหมด เพราะนั้นคนเราก็เหมือนกับจิตงเราทีนี้มันถ้าเอาของไม่ดีเข้าบ้านมันเป็นของเน่าของเสียเอาเชื้อโรคมันก็เข้าบ้านเรามันกสกปรบมันก็มีแต่เชื้อโรค <c oughs> จริตนี่ยเหมือนกันมันไป็นกวาดไปต้อนสิง่งข้างนอกมาเอาไว้ในใจของเรา แต่ของเราถ้ามีกันฟองถ้าไม่ไปแจมมาอย่างดีทีทุ่นมันเหมือนก็เอาอยาพิษเข้าไปอยาเพิษคืออะไรความไม่ดีอารมณ์ไม่ดีดทั้งหลายหล่ทิ่ไหลมาทางตางทางหูทางจมูกเราก็จะเก็บเอาไว้ของไม่ดีและสุดท้ายผลก็มาเราแสดงออกทามนี้ไม่ดีตรงข้างถ้ามเ้าของดีเข้าไป จิตของเราจะของดีเอาง่ายๆเหมือนกับข้าาอาหารที่เรากินกับพลังร่างกายถ้าจรากิของหมู่ของเน่าของเสียเข้าไปร่างกายของเราก็ได้รับของหมูของเน่ขเาของเสียสุดท้ายมันก็ไม่รับอย่างดีที่มันไม่รับมันขับขออกมาแต่จิตของเราเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่เคยคิดพิจารณาเลยว่าอารมไหนดีอารมณ์ไหนไม่ดีเก็บหมด เอาไว้ในใจก่อสุดท้ายมันก็อ p d a t e ก็อย่างกจะเราเห็นกันดูอันนี้เราจะไปโทษใครแต่วเวลามีเรื่องขึ้นมาเรามันจะไม่โทษตัวเองเราจะไม่โทษปัจจัยภายนอกก่อนนั้นคนนี้คนโน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นไปใจเราไม่เราโทษตัวเองว่าทั้งหมดนั้นเกิดจากตัวเราเองหมือกับปลาอาหารที่กินเข้าไปแต่เราไม่เกินตั้งแต่ที่แรกมันก็ไม่มีผลอะไร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 ทั้งนี้ก็เพราะว่าสิ่งสําคัญที่สุดก็คือสติทำไมไเราบอกว่าสติสําคัญที่สุดเพราะว่ า, าตาราบใดก็ตามท่าใจเราไม่มีสติกํากับมันลําบากท่านบอกว่าร่างกายของคนเรานั้นถ้าไม่มีลมกํากับคือลมายใจเข้าลมหายใจออก เข้าไปแล้วไม่ออกออกไปแล้วไม่เข้าร่างกายมนุษย์ผู้นั้นชื่อว่าตายอันนี้คือลมอัานแปลว่าลมมีชีวิตมีผลต่อร่างกายทําให้เรามีชีวิตอยู่คือต่ อ, อยุต่อชีวิตเราเองและจิต่ะมีอะไรไป็นเครื่องต่อมีอะไรเป็นเรืเรียงมีอะไรเป็นเครื่งองดู จิตของเรานั้นถ้าปราศจากสติคือขาดสติเมื่อใดก็ตามมันไม่ต่างอะไรกับคนตายแล้วภาพให้เรานึกภาพง่ายๆว่าคนนอนหลับมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเดิมแต่ปิดมันปิดตามไม่ได้ยินตังก็คือไม่มีสติกากับดูแลร่างกายในขณะนั้นซึ่งมันไม่ต่างอะไรกับตาย ถ้ามีลมอยู่ท่านนั่นเองลมเป็นตัวเลี้ยงถ้าจิตออกจากร่า ง, งในขณะนั้นก็คือตายไหมไม่ความสําคัญของสติเพราะฉะนั้นสติเนี่ยถ้าใครปราศจากสติเมื่อไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนตายบางร้ายในขณะนั้นเพราะนั้นสติกับลมหายใจโบราณท่านฉลาดเอาส อ, อย่างมาผสมรวมกันให้จับอันนี้เป็นหลักเพื่อเป็นตัวประสานก็นคือ ปุถโธคือคำบริกรรมลมหายใจเขาเออกมันมีอยู่แล้วเ ข, าเขา้าออกแล้วก็สติสามอย่างสามเสือ่อประสานกันคือทํางานด้วยกันถึงธรรมชาติเราแยกกันแต่สติเ็เรื่องหนึง่ลงลมเ็เรื่องหนึง่งปุถโธเ็เรื่องหนึงอันนี้ไม่สามัคคีกันก็อย่างที่เราเห็นๆกันเป็นกันอยู่มันก็เป็นเรื่องบางทีพ อ, อคึกขึ้นได้ก็เอาปุถโธเอาปุถุโธเพืพ่อเอาขาดไปจิตเราเอกไปวิป่งเอาไปเที่ยวเอง มันขาไม่ต่อเนื่องสาบเสือไม่ประสานกันเพราะนั้นสติยต้าจะให้มั่นคงที่เป็นมหาสติจริงๆก็คือที่อยู่ของสติที่สติคนจะยึดคนจะถือเอาไว้เป็นหลักในการพิจารณาเพื่อไม่สติเรานั้นไปอยู่ข้างนอกจนมากเกินไปอย่างนี้เป็นที่เราพูดง่ายๆมันต่านึางอนนบอกว่าให้เราเอาสติขําเราไปฝากไว้กับกายฝากไว้กับเวทนา ฝากไว้กับจิตฝ า, ากาไว้กับธรรมสี่อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเบื้องต้นก่อนฝากไว้กับกายคือเพื่อมิจิตลมหายใจพุ่นโตสามอย่างนี้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะชั่วครั้งชั่วคราวอะไรก็แล้ว แ, ลแต่เป็นไม่ต้องขนาดต้องไปเอกกรรรมแล้วยกจิตขึ้นมาพิจารณาเรื่องของกายกายในกายก็กายธรมธรมดาธรรมดากายหยาบนี้ก่อนแล้วก็กายในกายให้จิตอยู่เฉพาะอย่างนี้ ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นเรื่องปกติครับธรรมชาติคือเรื่องปกติแปว่าถ้ามีเรื่องอะไรเข้ามาก็าให้สติวิ่งก็หาตัวเราพิจารณาในตัวเราเป็นหลักอย่าไปพิจารณาคนอื่นอย่างนั้นจิตจะไปส่องออมันจะไปดูคนอื่นแตมันจะไม่ดูตัวเองนั่นคือธรรมชาติของมันเรื่องอย่างนี้ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดคือไม่ฝึกนั่นะคือไม่ฝืน ธรรมชาติคือปล่อยเป็นมธรรมชาติมันก็จะไหลไปตามนี้มันคืออารมณ์ไหลไปตามอะไรไหลไปตามสัญญาอารมณ์คือความจําที่มีอยู่จําหนดีจำที่เราจำมาอ่านเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่จะเจอ ร, ร, ร, รวมแล้วก็คือสัญญาเรือว่าอารมณ์เป็นที่ไหลเข้าไหลออกสติไม่ฝากไว้ตรงนั้นดึงเข้ามาให้มันมีสัญญาอยู่กับกายกายที่เราเป็นอยู่นี้ เห็นที่เราท่องเราเป็นสาธยายเหมืออนขยันทุกวันทุกวันคืออาการสารสพติพิจารณาให้กับครบถ้วนทุกประการเรียกว่าพิจ า, ารณากายเรื่องกายหยาบเรื่องกายหยาบกายในกายกายละเอียดอันต้องอาศัยนิมิตเป็นเครื่องหมายอะไรไม่ว่ากันเอาเรื่กายหยาบหยาไปสอนให้เข้าใจละเอียดทีทุ่นที่ต้องแท้การที่น่งให้มันช่ำนานวาเวลาจะตัด อารมณ์ข้างนอก อ, อกตัดก็คือตัดจริงๆเราจะตัดมือชาตอธิบายว่าตัดมันก็จะสั้นลงตัดอารม์ออกตัดออกตัดออกในกายมือกายนี้มันเต็มไปด้วยอะไรเวทนาเหยื่อสัตวพักมันเรานั่งตรงนี้เวทนาก็จะมาเยือนแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าปฏิเสธเวทนาเวทนาเกิดขึ้นให้เรารู้ตั้งอยู่ให้พิจรารณาสิ่งเหล่านี้มันก็จะดับไปโดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของมัน ให้อยู่กับเวทนาเวทนาขนาดนั้นเป็นเวทนาอะไรเป็นสุขเวทนาเป็นทุกขะเวทนาหรือว่าอุเบกขาเวทนาก็าให้รู้ให้กระจายให้ชัดขึ้นมาในใจให้มันชํานานนะเมื่อเราำชำนานเข้าแล้วนะไมายว่าสติเราเาข้มนขนมาเข้ามาแล้สุดท้ายเราก็จะเข้าใจว่าอให้ที่เวทนานเป็น อะไรเวทนาเป็นสุขะเวทนาทุกขะเวทนาโอเคการเวทนาแล้วมันก็จะต่อได้ว่าเวทนานี้มันเป็นเวทนาของกายแล้วเป็นเวทนาของใจปกยางไงก็ทุกกายหรือทุกใจถ้ามันจะก่สุกกายและสุกใจด้วยเฉยๆคือวางอารมได้คือวางกรงได้นี่คือเวทนาก็ให้สติอยู่กับสิ่นเหล่านี้เมื่อสติอยู่กับเวทนานั้ก็มันก็จะลืมกายกายที่มีมันจะลืม จิตมันก็จะจออยู่กับเวลานานจอไปสักพักมันก็จะดับอจิตมันก็จะดับดับเพราะว่ากิตความสงบขึ้นมาให้อยู่ความสงบตามความสงบไปสักพักเดี๋ยมันก็รู้ตัวเริ่มคําว่ารู้ตัวก็คือสตินั่นเองอยากเดินที่เราไม่รู้ตัวมักเราก็จะรู้ตัวขึ้นมาเรี๋วยวว่ามีสติสติโอ้สติแล้รู้ มันก็จะรู้ทันทีว่ามั น, นเป็นเวทนากพราอะไรตามที่เราย้ยําจากที่เราคิดตามที่เราพิจารณาตามที่เราฝึกตามที่เราฝืนเวทนาเวทนาต้องฝืนอนะเวทนาเกิดขึ้นในวัตทุกปุญญามองไม่ได้สอนให้เราละเวทนาหรือทุกขเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นท่านให้เรากําหนดหรือถนะ้านเราคิดว่ามันจะต้องละมันให้ได้ เรชนะอาไรไม่มีการชนะมันไ ม, ม่เคยละมันได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของจิตมันก็จะอยู่อย่างนี้มีทุกคนที่จะเครจะมองเห็นมากเห็นน้อยเท่า น, นั้นเองถ้าใครมีสติทุกคนก็จะมองเห็นมากคือเห็นโทษทีคุณของมันอันนี้เดี๋ยวเอาสติประวติว่าก็เวทนากายเวทนาะจิตอดูจิตในจิตโดยเว่ามันรู้สึกทุกงคิรุงอะไรมันแต่งอะไร สังขารนี่เป็นสังขารของอะไรนิชาพูสังขารโรดสังขารธรรมแต่วันนี้แล้วก็ย่อมันพูดออกมาสังขารมันปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องโรคหรือเรื่องธรรมถ้าเป็นเรื่องโรคบอกไม่มีที่สิ้นสุดก็ตัดออกแต่เป็นเรื่องธรรมยิ่งคิดมากยิ่งปรุงมากยิ่งบริกรรมมากมันเทเหลือแต่อารมณ์อันเดียวเลยวเฮกับกตารมสรุปก็คืออารมณ์โรคนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่น่งแค่าทำวันไม่ควรสรุป แต่ถ้าไปเอาเราทางธรรมนั้นมันมีบทสรุปคือจิตสงบโดยเอกขัดดาลมนั่นคือเป้าหมายปายทางแต่ถ้าจิตไม่สงบมันก็เหมือนเดิมทั้มารู้จักขยับไป น, นะจิตทำยกธรรมะขึ้นในขึ้นมาไปนะธรรมะคือธรรมชาติที่มันเป็นอยู่ด้วยสัจธ ร, รรมที่มันมีอยู่รอบๆตัวเราเราประสบพบเจอทั้งหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสสด้วยอะไรก็าตามให้โอกระดจโกน้องก็มาในขณะนั้น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 เมื่อจิตเราเข้าถึงที่มจิตสงบแล้วสี่ตัวนี่มันก็เหมือนกับตัวเดียวกันมันไม่ได้มีหลายตัวมเมอจิตสงบแล้วยกขึ้นมาขึนควรู้สติคื อ, อตัวรู้เรียกว่าผู้รู้สติเป็นผู้รู้คือพุทโธรู้ตัวตัว ร, วรู้มันต่างกันควาอรู้ตัวนั้วไมีสติ ตัวรู้ตัวตัวสติีตัวพุทโธมันต่างกันก็รู้ตัวขึ้นมาด้วยสติพิจานาตัวเองอะไรก็ตามให้สร้างตัวผู้รู้คือตัวรู้ก็คือพุทโธนั่นเองมันเป้าหมายครูบอาจารย์ได้วางไว้กับพวกเราตั้งหลายท่าฉลาดมากแต่ว่พุทโธตัวเดียวนะมันท่านบอกว่าทําอะไรก็สําเร็จจับตัวพุทโธอย่างเดียวไม่มีอะไรน่ากลัวมันพุทโธตัวเดียวปราบได้หมด ลมหยาบลมกลางลมละเอียดปราบได้หมดเจลล์ขนาดหยาบขนาดกลางขนาดละเอียดปราบได้หมดพวกถึงสามขั้นตอนก็เหมือนกันในใจของเราก็เหมือนลักษณะเหมือนกันหมดก็คือหนึ่งจำหยาบธรรมดาเพื่อเพื่อจะเป็นอารมณ์อันนึงเป็นกลางๆลางเร่มละเอียดขึ้นมาหน่อยสุดท้ายคือละเอียดดูดูลมหายใจก็ออกอย่างหายจจ ของพวเราธรมามธรมดาลมธรรมดาถ้าเรากำหนดลมหายใจออกธรมธรมดาธรรมดาหายใจเข้ายาวยๆหายใจออกยาวๆอันนี้ยาบๆลมหยา บ, ยาบพร้อมกับตัวรู้ก็คือสติกำหนดเข้าไปเข้าให้รู้ว่าเข้าออกให้รู้ว่าออกอย่างเนี้ทําให้มันชํานาญก่อนเอาตรง น, นี้เป็นหลักแล้วสติกำกับลงไปอันนี้หยา บ, ยาบสุดท้ายถ้าเราทําชํานาญแค่สูบลมหายใจเข้า ปล่อยให้แคออกแค่นี่ยจิตมันก็จะตั้งขมันโดยอัตโนมัติมันจะเป็นมันอัตโนมัติไม่อจิตมันตั้งแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพราะว่าตัวรู้คือผู้รู้มันเกิดขึ้นแล้วสิ่งทั้งหมดทั้งปวงนี่มันเป็นาทคือกระทบมันจะเป็นเรื่องกายมันะนาจิตาจมันทั้งมันมากระทบมันกระทบกระทบใจถ้าเรามีผู้รู้คือตัวรู้แล้วมันก็จะรู้ว่าอะไรกระทบ ถ้าอรมณ์เกิดขึ้นอยู่มันตั้งอยู่แล้วมันจะดับไปยงไมันจะรู้ขั้นตอนจนสุดท้ายปลายทางคือดับเพราะนั้นจิตถ้ามีสติเข้มแข็งเข้มแข็งเข้มข้นอย่างต่อเนื่องแล้วธรรมชาติ้องสติมันจะเป็นอย่างนี้นก็คือรู้เรื่องการเกิดกับการดับให้ดูอยู่อย่างดูแค่รู้ว่าอ๋ออันเกิดแดี๋ยวมันก็ดับมันก็เกิดดับเกิดดับเกิดับคือจิตนั่นเอง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 มันเป็นอย่างนั้นที่จริงก็คือไม่อยากตายเดีมวเราเกิดมาแล้วไม่อยากตายแต่ว่าอยากเกิดแต่ไม่อยากตายเออ่อยกนี้ขึ้นมาเป็นางา น, น, นี่คือธรรมะยตัวที่สี่คือกายเป็นาจิตครับยกขึ้นมาิจารณาว่า ม, มนุษย์เนี่ยถ้ามันเกิดแล้วมันไม่ตายมันจะเป็นยังไงเกิดอย่างเดียวนะไม่มีใครตายสัตว์เหมือนกัน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 นี่คือการเกิดการดับดูการเกิดการดับของจิตแต่ว่าการเกิดการดับของจิตมันเร็วมากขณะจิตนี่เร็วมากๆไม่ใช่เร็วธรวรมดามันมีอะไรโลกนี้ไม่มีอะไรเร็วมากไปกว่าจิตนี้แล้วแทนที่เรารู้จากเทคโนโลยีทั้งหลายแหละแต่ตรงนี้ไปถึงยุโรปถึงอเมริกาถือว่าเร็วมากๆอย่างน้อยกว่าจิตยังช้ากว่าจิต พะจิตที่มาหาสัจจัน์มา ก, ก, มากๆแต่เราก็่เคยดูไม่เคยศึกษาไม่เคยพปเจรนาละโมแต่เอาจิตเนี่ยไปฝากไว้กับอะไรก็ไม่รู้ฝากไว้ว่าสัญญาอารมณ์รูปเสียงกิริยตภัณธรรมอารมณ์มันอยู่ข้างนอกไม่ได้ฝากไว้กับสี่ตัวนี่คือกายเวทนาจิตธรรมเราก็เลยกลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีลอยไม่มีเครืงยึดเครื่งถือขึ้นเหนียวสุดท้ายก็เลึกหลับเลื่อนลอยอยู่ไปวันวัน ท้ายเวลามีอะไรเครื่องขึ้นมาเกิดเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโลคความโกรกความหลงก็ดีจะมันก็ไม่ต่างกับตัวเราพอเกิดขึ้นแล้วก็มารู้จักความโลกเกิดขึ้นไม่รู้โลกก็คือโลภเป็นอยากคนอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยโลภได้ตอนนี้ไม่พอได้บ่ายจะได้ห้าได้ห้าจะได้สิบอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จะพออย่างนี่โลภเกิดขึ้นเรามารู้จักโมหะ โทสะเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้จักการอันนี้คือรากเหงา้าถ้าเป็นต้นไม้เกิดตรนนี้คือรากเหงา้ารากที่ทําให้ต้นไม้ยืนต้อยู่ได้ในชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจถึงรากเหงา้าตัวตนที่แท้จริงก่งอนจิตแล้วจิตมันผูกพันกับสิ่งเหล่านี้ <c oughs> แล้วสิ่งตรนนี้เป็นตัวผลทาลายที่ใจอของคนของมนุษย์โลกโลก็ อ, อยู่กันแค่นี้อันนี้เราพูดถึงแค่คน ปรากฏ่าถึงสิ่งผืนที่มีชีวิตจิตเหมือนพวเราแต่เขาไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้นพัฒนาไม่ได้คิดไม่ได้อย่างเรามีเหมือนกันหมดแต่คิดไม่ได้อย่างเราเรากลังต้องระวังโอ้คนนั้นก็โกหกน้องเข้ามาเรื่องอยูอ่เรื่องของายเขาก็มีกายเหมือนกันมีครบทุกอย่างเหมือนเราหมดแต่ทําไมไม่เหมือนกันยังก็ต้องระวังเพราะว่าจิตสําคัญมากมาก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 ด้วยตาหนังธรมธรมดาธรรมดาแต่ว่าเพื่อนว่าเห็นแล้วมันไม่เกิดปัญญาเกิดไปแค่สัญญาก็รู้ว่านี่เปนแค่นี้นีนไม่เกิดแล้วมันเห็นมันเกิดแค่สัญญามันไม่เป็นปัญญาแล้วมันเกิดปัญญาแล้วมันก็แสงสงว่างวาบขึ้นมานกลางดวงใจอ๋อที่เป็ น, ยน อ, อย่างนี้ก็เพระาะอย่างนี้โอปนัญจโกน้องก็มาอาสติสติมันวิ่งไอยู่กับกายเวทนาจิตตังอะไรมั น, ใ น, ใ น, ใน ถ้ามันอยู่กับเอกาตอารมณ์ได้เป็นการดีมันก็จะวางอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงมีอยู่แล้วก็จะรู้ตัวกายก็ไม่มีเลยแต่จิตคือผู้รู้เข้ามาเราจะเห็นว่าอารมจิตมันมันเกิดความสงบมันดับอพบบง่ายๆเกิดความสงบนึ่มันต่างคนคนนอนหลับคนนอนหลับนี่ยเาอยู่กับความฝันก็คือนิมิตตันเองปารมจิตมันอยู่กับอะไรตอนนั้นกายมันไม่อยู่กับกายละ เราเลเวทนาเจตธรรมราฉะนั้นภพอื่นเขามีแค่เวทนากายแล้วมีแต่จิตธรรมก็มันจึงมีละถอนปล่อยวางอย่างพวกเราไม่ได้ทําทไมเราเคยสงสัย้ว่าภพอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยะเท่านั้นที่ไปโปกเข้าเหล่า น, นั้นได้เพราะว่าเขาไม่มีกายอยากอย่างพวกเราเมื่อมันมีกายอย่างก็เหมือนกับปนฝันมีกายก็มืนจะไม่มี คือคดอในกายนะจําได้ไมรู้เพราะสัญญาแต่ว่ากายอย่างย่างอย่างพวกเรานะไม่มีเพราะฉะนั้นการที่การจะละตอนปล่อยวางสักขยาทิฐิคือการห้านี้จึงเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นมนุษย์เราโ ล, โลกของมนุษย์เราจึงเป็นที่ฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อละตอนปล่อยวางธาตุสี่การห้าเพราะคนชาติอื่นเขาไม่มีอย่างเรามีก็มันก็มีในฝันอย่างที่ายฝัง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 ปูปานีครับก็มีเหมือนกันหมดอะมีกายเหมือนเราแต่แต่เขาไม่มีอย่างเราคือจิตไม่สช่วันฝึกได้เพราะเกิดเป็นคนเป็นมัตติมัติโชคดีมากๆานนะในนาฏิกานโอโชคดีเนี่ยจะไปคิดจะไปประมาณคือประมาณก็คือปล่อยสติตละเลยไปวันวันหนึ่งไม่มีหลักไม่มีฐานมีเครื่องผูกมีเครื่องอยู่อย่างนี้ใช่ปะปล่อยชีวิตไปวันวันอย่างนี้ปู่เจ้าเราเชื่อว่าเป็นผู้ประมาท ผู้ประมาทก็คือไม่ต่างเราคนนอนหลับก็ยังดีหน่อยขึ้นขึ้นมาแต่ถ้าทีนี้ผู้ประมาก็คือคนที่อยู่ ป, ปัจจายปฏิฆบุตรเหมือนคนตายคนหนักถึงขนาดนั้นก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรพูดยังไงก็อยู่ไปวันหายใจก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็หายใจออกผู้ป่วยจะนั่งบอกวาหายใจทิ้งเบ่เสียได้ปันวันหนึ่งเดีนะหายใจทิ้งหายใจทิ้งหายใจเข้าออหายใจออก ไม่เกิดประโยชน์อะไรวัะนั้นต้องระมัดระวังเหมือนกันเพวัะนั้นในขณะที่เรามีลมหายใจอยู่ก็ใช้ลมอันนี้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดคือตรงดูลมหายใจเข้าไมอยากออกดูลมเข้าดูลมออกแล้วก็สุดท้ายมันจะเหลืออารมณ์เดียวอเอกากระดาล์ลมเมื่อเป็นอารมณ์อย่างนั้นมันก็นยกขึ้นมาพิจารณาทำอันใดก็ได้สิ่งใดก็ได้รูปร่างกายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ คุณยกขึ้นมาพิจารณาอย่างเนี้เรียกว่าใช้รูปร่างกายอันนี้พิพจารณาโดยใช้สติเอีกะนั้งหนึ่งบอก ว, ว่าครูบาอาจารย์นี้เปรียว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยก็จะเหมือน <c oughs> กับเมีตัวสติปัญญาคือเมตดารับไปบ่อยเมตดารับไปบ่อยมันก็คงคือเมตดมันก็จะคมมันก็จะแหลมในอันดิจิตมีดถ้าใช้ไปบ่อยก็เหมือนกันมันก็จะทื่อได้เพราะนั้น ในหลักการอันนี้มันบอกว่าเมื่อเราพิจารณาธาตุสีข้างหน้านี้ไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่จนจิตมันอ่อนมันล้ามันหมดกำลังก็ทําความสบใหม่คือฝนใหม่ฝนเม็ดใหม่ให้มันคงใหม่ค่อยๆมาปาดค่อยมาเช็ดใหม่ถ้าเราทำมาปาดในขณะที่เม็ดมันยังไม่คงมันก็ไม่ได้อะไรมันก็ม็ดทื่อๆเราเป็นปาดเป็นมันก็ไม่ประโยชน์สติของเราต้งเหมือนกัน ถ้ามันไม่คมไม่แหลมพอคือมันมีสติปัญญาพอก็ไม่สามารถจะอยาปาดกิเลสปาดหนังปาดธาตุสีกันธาตุที่มันมีอยู่นี้ให้มันหลุดให้มันหายให้มันหมดไปไม่ได้นี่นั้นเป็นเครื่องฝนอย่างดีธาตุสีกันหน้าเฉะนั้นถ้าใครผลเมตดคือสติตัวนี้แหลมคมมากเท่าใดบนนะเชื่อเป็นผู้ปัญญาเจียดแหลม มันแหลมคมก็สามารถที่จะทําอะไรก็ได้ฟาดฟันกี่เลยตัญหาราคามรรณิติที่มีอยู่ในใจนั้นให้มันลดน้อยถอยลงไปแต่นี้ท่านมีดมันเตือๆอย่างนียใครจะไปกลัวมันไม่โกลัวกิเลสมันไม่โกลัหรอกตอนให้ปานเข้าไปมืออยู่ในฟันอ่ายู่ในแทงอย่างนี้มันก็ไม่เข้าสติปัญญาเรามันไม่แหลมคมมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกเราัดจุทุกวันก็เพื่อต้องการให้ เราเกิดสติปัญญาแหลมคมให้รู้เท่าทันกิเลสก็คือธาตุสี่กันห้าเป็นนั้นที่อยู่เป็นหลักใจจริงๆก็คืออย่าลืมให้มองถึงเป็นหลักเราเกิดสติของเราต้องมีหลักต้องมีฐานนั่คือติปทานที่ทั้งหมดเนี่ยก็ค่อยพิจารณาตรงไหนก็ได้ถ้าทำกระทบดู้กายรู้กายเวทนาเกิดขึ้นรู้เวทนารู้จิตอันมันปรุงแต่งรู้จิตกายเวทนาจิตทำสุดท้ายมันก็จะเป็นธรรมะคือเกิดธรรมะขึ้นมา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 ของโลภควาเรื่องหนึ่งความโกรธเรื่องหนงหลงเรื่องหนึ่งหูก็เรื่องหนึ่งตาจมูกเรื่องไก่เรื่องหนึ่งมันไม่ได้รวมกันมันเป็นกายตัวตนเราเป็นเขาเนี่ยมันจะเป็นที่มาของคนลําบากดังนั้ improving improving นถ้ material, าเราเข้าใจสิงเหล่านี้แล้วก็เป็นเข้าใจเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่มีใครทําให้เราเป็นต้องมีหรือลําบากหรือร้อนแสบอะไหน นอกจากตัวเราเองเหมือ น, นกับปลาอาหารก็จะมีกําลังแล้วก็ต้องกินต้องดืง่มกันเข้าไปถ้าไม่กินไม่ดื่มมันก็มีกําลังว่างชาเราจะไปทนใครไม่ได้จิตก็เหมือนกั น, นเรียว่าอาหารของตายอาหารก็คือคือธรรมะอาหารก็คือเราไม่เอาธรรมะเข้าไปเลยหรือวาเอาสติมาปัญญาเข้าไปเลยอเอสติรรปัญญาที่มีอยู่มันก็เหี่ยวให้มันมันก็ลดน้อยตลอดคือมันไม่มีกําลังมันทําอะไรไม่ได้มันทําอะไร กับธาตสีกันห้านี้ไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้มันต้อมีกําลังะฉะนั้นเราฝึกเนี่ยต้องการให้เรามีกํำลังนั้นเบื้องต้นมันบอกว่าให้มีความเชื่อในสิ่หลนี้นะบุรุษเจ้าพ่อแล้วเชื่ออย่างเดียวยังไม่พอต้องมีความเพียรก็คือพยายามมิจะเชื่อว่าเออนั่งสมาธิดีแนละ้น อ, อดีไปวัดดีนะดีได้ความเชื่อเฉยเฉยมคนเป็นกิดเบื้องต้นแต่ไปวัดได้ดีแล้วไม่ไป ทำสมาธิปฏิบัติสมาธิดนะีดีแต่ไม่ทําอ่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรการทําบุญดีนะแต่ไม่ทำํำมันไม่ได้ประโยชเลยอันนี้คือศรัทธาในพุ่งตนคือศรัทธาตัวนี้ไม่เกิดมันก็เหมือนก็ไม่มีกำลังและวศรัทธาเกิด อ, อารมณ์พุ่งตนเราเป็นกลังศรัทธาศรัทธาความเพียรความเพียรก็คือความพยายามที่สืบ ต, ต่อต่อเนื่องกับศรัทธาแต่นี่มันไม่เกิดศทธาวิญสติมันจะมาจากไหนมันไม่มี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 มาทางตาก็เป็นโทษมาทางหูก็เป็นโทษมาทางปากก็เป็นโทษเป็นโทษหมดเลยเพราะมีกําลังไม่มีความแก่กล้าเรียกว่าอินทรีย์ไม่แก่กลาเมื่ออินทรีย์แก่กล้าเมื่อไหรแล้วพละกําลังที่มันมีอยู่ก็สมาจะฟาดฟันกินเลสกณาบรรที่ติในกายของเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็เราสู้ได้ถึงไม่ชนะเลยทีเดียวอย่างน้อยก็ แต่สู้กันสักตังคแต่เราไม่สู้เลยไหวขี้เลยเดียบเอาเยือบเอามันเห็นอะไรก็จักแต่ว่าเห็นเฉยเลยเราถ้าจะเป็นธาตุก็เป็นมาหนี้แล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาแล้วถ้าเราไม่สู้กับมันก็มีทางที่จะชนะเลยเพราะนั้นถ้าเราชนะก็จะหมายถึงเหมือนกับชนะตัวเราเองก็คือชนะหัวใจรู้สึกใจแจกรัตเองนั่นคือชนะตัวเราเองแต่ถ้าเราชนะคนอื่นเช่นป่าปานกันฆ่ากัน ด่าทอกันด้วยกายรีดเรื I ่อยก็ดีจิตก็ดีทุจรายกันไม่มีทางที่จชนะเลยมีจฉาเศร้าจะมองหนักก็ไปอีกไม่เจนเพิ่มเติมไม่เจอเพิ่มกองหนาก็ไปอีกไม่มีบางลงนี่ลดน้อยถอยลงไปการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายก็เพื่อสิ่งแบบนี้เพื่อชีวิตจิตใจของเราดีขึ้นเบาบางมันจะเดิน สติมากขึ้นจิตใจก็จะเบาไปเบาไปเบาไปกายก็เบากายก็เบาจิตก็เบาเบาไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีระดับในระดับเดียกันถ้าจิตมันยึดหมุดมันถือหมดมันเอาหมดมันก็หนักหนักก็มันพันแข่งปันกาไปไหนไม่ไดุ้ดท้ายก็อยู่กับโลกนี่มันเลยรู้จักธรรมมันรู้จักแต่โลกโลกโลกโลกอย่างเดียวโลกมันมีที่สิ้นสุดแต่ธรรมนี่มีที่สิ้นสุดอย่างไรก็เถอ อย่ารก็ตามโลกกับธรรมน่ะมันก็ต้องอยู่ด้ยวยกันเป็นของคู่กันมีโลกก็ต้องมีธรรมมันอยู่อย่างนี้ระพุทเทศท่านเขียนอไว้หนังสือเล่มหนึ่งถ้าใครได้เคยอ่านไปหาอ่านซะนะท่านบอกว่าสิ้นโลกเหลือธรรมอะนี้โลกทํามะนั้สิ้นได้ถ้าสิ้นโลกเหลือแต่ธรรมล้วนๆนี่มันอยู่ได้สบายสบายแต่มีแต่โลกอย่างเดียวมันสิ้นโลกมันหนักหนักมาก ต้องระวังสระดับคนที่ปฏิบัติใหม่ปฏิบัติเกา่าปฏิบัติดีอยู่แล้วก็ววพยายามต่อยอดให้มันดีขึ้นพยายาให้มันสิ้โลกก็คือหมดโลกให้เหลือแต่ทำรุนล้วนเป็นดีที่สุดในขณะใ น, านการท่านยังไม่หมดทางโลกยังไม่อยู่เป็นพระองค์อยู่ก็พยายามให้มันน้อยลงถ้าเป็นพระน้อยลงพยายามทําให้ตัวเองให้มีสัจชาตคือตั้งใจตัวเองให้มีมีเป้าหมายให้ชัดเจนเพราะงั้นแล้ว มันจะกลายว่าอยู่กับโลกก็อยู่ไปอย่างนั้นอยู่กับธรรมก็อยู่ไปอย่างนั้นไม่มีสัจจะคือความจริงใจถ้าเรามีสัจจะแล้วมันจะเมีเป้าหมายเออถ้าเราอยู่กับโลกได้ตอนนี้แต่ไปเราก็จะอยู่กับธรรมโลกคองโลกมานานแล้วคองหลังธรรมบ้าง ม, ม, าามันก็ชื่อว่าจะเป็นชนะตัวเราเองนั้นก็ข อ, อให้เราทั้งหลายได้ใช้จูบ ก, กับอยู่กับโลกก็แย ไ, ได้อยู่กับธรรมก็ได้ถ้าเรารู้จากสองทางแต่ถ้ารู้จางโลกอย่างเดียวลํา บ, บากสุดท้ายก็ การที่เราเห็นกันอูเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็หมดเกิดดับแล้วก็หมดมันนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเอาเกิดขึ้นแล้วให้รู้จักการเกิดการดับการเห็นแล้วก็ดูการเกิดกัรดับการเกิดกัรดับแค่นั้นเองขั้วแย่งเราทั้งหลายก็ดูแค่นี้ดูว่าอะไรเกิดแล้วก็กระดับกระดับกระดับอยูนท่านไม่ได้สนใจเรืของนิสิต่างจิตมันเกิดสระจะยืนเหนือสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดมันจะดับก็เป็นเรื่องของมัน พระท่านยืนเหนือสิ่งเหล่านี้ท่านจึงเรียกว่าบุญท่านก็นไม่เอาบาปท่านก็นไม่เอาท่านพอแล้วท่านเต็มแล้วท่านเหนือสิ่งเหล่านี้เรียกวคนเห น, นือคนนั่นคือเป้าหมายในการปฏิบัติของเราก็ขอฝากให้นเราทั้งหลายค่อยเป็นค่อยไปก็ อ, อย่าลืมโลกอย่าลืมธรรมโลกก็เอาบ้างแต่ธรรมต้องเป็นต้นใจอย่าให้โลกแยกความธรรมถ้าโลกแยกความธรรมก็อย่างที่เราเห็นเด่นอยขอให้ เอาทำเป็นใหญ่อย่าเอาลูกเป็นใหญ่ก็ออพอฝากเราสำหรับวันร่นนี้เอาไว้เพียงเท่านี้น